หรืออสุภะกรรมฐานพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามคือกำหนดพิจารณาอาการสาสิบเอ็ดหรือสาสิบสองหรือเพียงห้าข้อผมม ผมคนเล็บฟันหนังเมื่อเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามเมื่อปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้จิตจะสงบจากกิเลสกองราคะคือความจิตใจยินดีต่างๆ ในกายตนในกายผู้อื่นได้เป็นอย่างนี้ก็เป็นบูปภาคเหมือนกันคือเป็นข้อที่คนปฏิบัติเป็นเบื้องตนทุกวันจะปฏิบัติในอสุภกรรมฐานหรือกายกตาสตินี้ก่อนก็ได้ หรือจะปฏิบัติบมีารนั้นก่อนก็ได้สุดแต่ความสะดวกแก่จิตใจของแต่ละบุคคลและก็ให้ใช้เวลาไม่ต้องนานนักเพราะว่ามีกำหนกรรมฐานที่จะพึงปฏิบัติ การปฏิบัติประจำของตนต่อไปสำหรับกรรมฐานที่จะปฏิบัติเป็นประจำของตนต่อไปนั้นก็หมายความว่าข้อที่ต้องการจะปฏิบัติให้เกิดความเทาน้ชำ น, นานเพื่อจะให้ได้สมาธิจิต เป็นตูปเจจานเป็นอัปปนายิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็สุดแต่ภูปฏิบัติจะเลือกจะเลือกเอากรรมฐานที่เป็นบุ ป, ปาภาคนั้น เป็นพรห ม, มวิหารทั้งสี่หรือข้อใดข้อหนึ่งหรือจะเลือกเอาอสุภกรรมฐานหรือกายคตาสติที่ใช้เป็นบุพภักนั้นก็ได้ถ้าชอบใจหรือหากว่าจะเลือกเอาข้ออื่นเช่นอาณาปานสติอดลมให้ใจเข้าออก ที่จัดยกขึ้นแสดงไว้เป็นข้อแรกในหมวดกายคตตาสติสติที่ไปในกายในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นก็ได้และก็ควรจะทราบ วิธีปฏิบัติในอานในอานาปานสติหากจะเลือกเอาอานาปานสติเป็นกรรมฐานประจำและก็ควรจะทราบอธิบายถึงวิธีปฏิบัติ ในกรรมฐานข้อนี้และโดยที่อาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกนี้ได้มีผู้ปฏิบัติกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นจึงได้มีพระอาจารย์แสดงอธิบายวิธีปฏิบัติไว้มากบ้งแตต่างกันบ้างฉะนั้น ผูมุงปฏิบัติจึงควรจะทราบพระพุทธอธิบายคืออธิบายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เองที่ปรากฏในพระสูตร เป็นหลักสำคัญและต่อจากนั้นก็ควรจะทราบถึงอธิบายของพระอาจารย์ที่ท่านได้อธิบายไว้เพื่อช่วยปฏิบัติให้สะดวกขึ้น แต่ก็ควรจะถือว่าอธิบายของพระอาจารย์ที่อธิบายไว้นั้นเป็นข้อประกอบซึ่งผูู้ปฏิบัติรู้สึกว่าวิธีไหนของพระอาจารย์ถูกแกจริตอัธยาศาัยของตน ก็ถือเอาได้แต่ข้อสำคัญนั้นต้องให้ถูกต้องกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ก็แหลหลักที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้นั้นเป็นหลัก สอนให้ตั้งสติกำหนดในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอาณาปานสติอันบริสุทธิ์และตรง ดังที่ได้กัดอธิบายไว้ในพระสูตรทั้งหลายที่เราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังนโยชนเป็นอันมากซึ่ง เราโดยสรุปว่าเข้าไปสู่ป่าไปสู่คนไม้หรือไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บันลังคือนั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรงติดให้ตั้งให้รู้ หายใจเข้ามีสติให้ใจออกหายใจเข้าหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าหายใจออกสั้นก็รู้ศึกษา คือสมเดียกาหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกศึกษาคือสมเดียกาหนดว่าเราจะระ ง, งับกายสังขารเครื่องปรุงกายให้ใจเข้าให้ใจออก ดังนี้นี้เป็นพระพุทธอธิบายโดยตรงและก็ได้มีพระอาจารย์ไดแสดงอธิบายในพระพุทธอธิบายนี้ออกไปเพื่อให้มีความเข้าใจ สำหรับในทางปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นแม้ว่าจะไม่จะยังไม่ต้องไปทำความเข้าใจพระพุทธธิบายนั้นให้ตลอด แต่ว่าคือเอาที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่ามีสติให้ใจเข้ามีให้จิตสติให้ใจออกหายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้เอาเท่านี้ก่อนโดยที่ ได้ตั้งสติคือความระลึกรู้เข้ามาว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเท่านั้นก่อนสติที่ระลึกรู้ดังนี้ ก็ระลึกรู้เข้ามาที่ตัวเองดังในบัดนี้ทุกคนก็นั่งกันอยู่ในที่นี้และก็อยู่ในอิริยาบถนั่งเมื่อยังไม่ได้มาปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้ เรารู้ว่าเรากําลังให้ใจเข้าเรากําลังให้ใจออกก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นกลับทั้งบางทีก็โลภ บ, บางทีก็โกรธบางทีก็หลงอยู่ในเรื่องนั้นๆที่นึกถึงนั้นก็เลยไม่ได้นึกถึงลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกของตัว ให้ใจอยู่ก็เหมือนอย่างไม่ให้ใจเพราะไม่ไม่ได้ระลึกรู้เมื่อไม่ได้ระลึกรู้ก็ไม่รู้แม้ว่าจะให้ใจเข้าให้ใจออกอยิ่กว่าตามเพราะฉะนั้นจึงต้องวางเรื่องอื่นๆทั้งหมด วางโลกวางโกรธวางหลงไว้ก่อนรวมจิตเข้ามาระลึกรู้ลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกองตนรวมจิตเข้ามาระลึกรู้ตนดูตน ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่อันนี้คืออนุปัสนาดูตามเพราะว่าตนเองนั้นก็ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่เป็นปกติแล้ว ตนเองจะมาดูหรือไม่ดูว่าตัวเองหายใจแต่ว่าตนเองนั้นก็หายใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงนาจิตกลับเข้ามาดูตัวดูตนเองที่หายใจอยู่ให้รู้ว่าหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจออก รวมจิตเข้ามาดังนี้ยังไม่ต้องไปกาหนดที่ไหนก็ได้กำหนดรวมๆเข้ามาที่ตัวเองก็จะรู้ได้เองว่าให้ใจเข้าให้ใจออกในเมื่อจิตรวมเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆแค่นี้ก่อน และเมื่อจิตออกไปก็นำกลับเข้ามาดูอีกเพราะว่าจิตนี้จะออกไปอยู่เสมอสิ่งที่นำจิตออกไปนั่นก็คือนิวรเมื่อจิตมีนิวรณ์มากนำกลับเข้ามาก็ไม่เคยจ ะ, จะยอมอยู่จะต้องออกไปจนนำกลับเข้ามาอีก เพราะฉะนั้นเอาเท่านี้ก่อนค่อยนำจิตกลับเข้ามาันค่อยตามดูให้ใจเข้าให้ใจออกของตัวเองให้รู้ก็จะได้สมาธิในเบื้องต้นได้ต่อไปนี้ ข, อ, ขอให้ตั้งใจฟังสวด ต, ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัดนี้จาก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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานเป็นหลักปฏิบัติทั้งเพื่อสมาธิและทั้งเพื่อปัญญาแต่ว่า ก็ต้องเป็นสติปัฏฐานที่ปฏิบัติให้ตั้งขึ้นในจิตให้จิตเป็นสถานจึงจะเป็นสมาธิและเป็นปัญญาได้ทางปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้และก็ปรากฏในพุทธประวัติว่าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วดังที่มีเล่าว่าตั้งแต่เป็น ตั้งแต่ทรงเป็นพระราชกุมารได้ตามเสด็จพระพุทธบิดาไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญขณะที่พระพุทธบิดาทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญอยู่ ราจกูมาน้อยได้ประทับรออยู่ภายใต้รมว่าในขณะนั้นพระหัตไทยของพระองค์ก็โรวมเข้ามากำหนด ลมหายใจเข้าออกของพระองค์เองก็ทรงได้สมาธิที่ท่านแสดงว่าปฐมฌานอันแปลว่าฌานที่หนึ่งซึ่งก็เป็นอปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่น แต่ว่าสมาธิที่ทรงได้นั้นก็เสื่อมไปนั้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จออกทรงพระพระโนดและได้เสด็จจาริกไปทรงศึกษา ในสำนักของสองคณาจารย์เจ้าละทิก็มีแสดงว่าได้ทรงศึกษาจบและทรงปฏิบัติได้เท่าเทียมพระอาจารย์ทั้งสองนั้นคือทรงได้สมาบัติเ็ด สมาบัติแปดอันเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิแทนแ น, น่นอย่างละเอียดแต่ก็ทรงพิจารณาเห็นว่ามิใช่ทางแห่งโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้น จึงได้เสด็จออกจากสองสำนักพระอาจารย์นั้นและก็ได้ทรงปฏิบัติในทุกขระกิริยาทรมานพระกายให้ลำบากต่างๆก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางอีก ก็ทรงหยุดทุกขระกิริยาก็ทรงระลึกได้ถึงสมาธิจิตที่ทรงได้ในขณะเมื่อเป็นพระราชกุมาร น, น้อยครั้งนั้นจึงได้ทรงเริ่มจับทำสมาธิ ตามวิธีที่ทรงเคยได้ครั้งนั้นก็เป็นอันว่าได้ทรงพบทางอันถูกต้องเพื่อพระปัญญาตรัสรู้ก็ได้ทรงปฏิบัติไปในทางอันถูกต้องนั้น ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกาศไว้ในปฐมเทศนาโดยเรียกว่ามัททิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางอันได้แก่มักคือทางมีองค์แปดประการคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจากเจกรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบจึงได้ตรัสรู้ประธรรมกันได้แก่อริยสัจทั้งสี่เพราะฉะนั้นจิงเท่ากับว่ามัชทิมาปฏิปทาที่ทรงพบนั้นอันที่จริงได้ทรงเริ่มพบแล้ว ตั้งแต่เป็นพระราชกุมาร น, น้อยนั้นและก็ได้ทรงแสวงหาไปนากสนับของขนาดจานต่างๆในวิธีต่างๆที่ได้นับถือและปฏิบัติกันก็ได้ทรงพิจารณาเห็นได้ไปโดยลำดับว่าไม่เ่ทาง เพราะไม่ทำให้ได้ปัญญาที่ตรัสรู้ระทมอันเป็นเหตุให้ละกิเลสและกองทุกได้กิเลสก็ยังมีอยู่กองทุกก็ยังมีอยู่แม้ว่าจะได้สมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดในสำนักของท่านสองคณาจา์นั่น ในที่สุดก็ทรงกลับไปหาวิธีที่จะส่งพบเองเมื่อเป็นว่นนั้นจึงอาจจะกล่าวเหมือนอย่างว่าพระองค์เองก็ได้เป็นครูของพระองค์เองนั่นเองก็คือพระราชกุ ม, มารน้อยนั้นก็คือพระองค์เองและเมื่อทรงพระเจริญ และทรงหาทางแห่งความจรัสรู้ก็ทรงสแสวงหาไปสแสวงหาไปในที่สุดก็กลับไปหาพระองค์เองคือหาวิธีแห่งสมาธิที่ทรงได้ในขณะที่เป็นพระราชกุมารดังกล่าวดังนี้ ก็จะเพงเห็นได้ว่าแม้ว่าจะเรียกว่าสมาธิอย่างเดียวกันเรียกว่าฌานอย่างเดียวกันแต่ว่าย่อมมีความแตกต่างกันสมาธิหรือฌานบางอย่าง ไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้แต่สมาธิหรือฌานบางอย่างเป็นไปเพื่อความตรัสรุอัญชันหรือสมาธิที่ไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้นั้นอันจะพึงเรียก ตรงกันข้ามกับสัมมาสมาธิว่ามิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิดอันคำว่าสมาธิที่ผิดนั่นก็หมายความว่าผิดจากทางแห่งความรัสรู้ อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์แต่ก็เป็นสมาธิเป็นฌานเหมือนกันจิตก็แน่วแน่แนบแน่นเหมือนกันและก็เป็นจิตที่บรนลุถึง ญาณคือความอย่างรู้อันเป็นอุตริมนุสธรรมธรรมที่ยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์ที่ยิ่งได้ทำนองเดียวกันแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อปัญญาที่ตรัสรู้ มันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์